ไม่มีในจิตใจของพระองค์เจตใจของพระองค์ถ้าจะว่าว่างก็คือว่ า, วางหมดโลกอารมณ์ในโลกนี้ลูกเสียงกลิ่นรสโพตพพะธรรมอารมณ์อดีตอนาคตอะไรอะไรทุกอย่างไม่เข้ามาอยู่ในจิตของพระองค์เจตใจของพระองค์เรียกว่าแจ้งโลกแจ้งธรรม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 อย่างจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสโทสะนั้นมันไม่ยอมให้คนอื่นว่ากล่าวตักตือนติเตียนนิ น, นทาไม่เอากิเลสโทสะตัวนี้มันจะเอาแต่ความยกย่องสรรเสริญเยินยอว่าดีว่าเด่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ใจลอยตัวลอยอดีใจเพราะได้รับความสลรเสริญเยินยออย่างนั้น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 การที่เราภาวนาบทใดข้อใดอัตถธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอันใดก็ตามเมื่อเรานึกเราจเจริญอยู่เนืองๆเหมือนลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคนไม่ประมาทเพราะภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจโ้ใดหลงไหลลืมหมด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 ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความพลัดพรากอยากของรักของชอบใจไม่ต้องการไม่ปรารถนาะแต่มันได้ขึ้นมาเองได้ขึ้นมาลอยๆอย่างนั้นเองการภาวนานี่จึงเป็นบทบาทอันสํำคัญที่เราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้ได้ให้เป็นให้เกิดให้มีขึ้น ไม่ต้องไปรอท่าว่าเมื่อถึงวันตายข้าพระเจ้าจะภาวนาพุโทโธเอาให้ได้อย่างนี้ไม่ได้เราต้องทำไว้ก่อนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปจะเป็นวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามต้องเตือนใจของเราว่า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 ยี่สิบปีตายก็มีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีตายได้ทั้งนั้นแต่ส่วนมากนั้นไม่ค่อยมีเหลือไปถึงร้อยปีมักจะตายก่อนร้อยปีด้วยกันทางนั้นข้อนี้ให้เราเอามาเตือนใจพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนพุทธสาวกในท่้งพุทธการโน้นว่า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 คนเราก็ตายได้แม่ลมหายใจออกไปแล้วเกิดอะไราติดขัดขึ้นมาสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้คนเราก็ตายแล้ความตายนี่แหละท่านเตือนไว้ว่าอย่าได้ประมาทแม่ราตถาคตหมายถึงพระองค์เอง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 ไม่ประมาทว่าลมหายใจออกไปก็ถึงตายได้พระองค์ชื่อว่าไม่ประมาททั้งลมหายใจเข้าไม่ประมาททั้งลมหายใจออกท่านภาวนาได้อยู่เสมอแล้วให้พากันไกล่กลองในใจของตัวเองว่าในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งผ่านพ้นไป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 เพราะไม่มีธรรมะเอือนใจของตัวเองคือมลนกรรมฐานมลนกรรมฐานนี้เป็นกรรมเป็นยอดกรรมฐานก็ว่าได้คนเราเมื่ออาศัยความประมาทโมมาไม่ได้มองเห็นภัยอันตรายจะมาถึงต้นคิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราคงไม่เป็นไรง่ายๆเราสบายดีอยู่ เรายังเด็ดยังหน่มอยู่ความตายคงไม่ก้ำกายได้ไ ง, ง่ายอันนี้เป็นความประมาทมัวเมาพระพุทธเจ้าพระองค์ตือนในใจของทุกจิตใจของสาวกว่าสิ่งใดอันเป็นไปเพื่อกิเลสราคะโทสะโมหะต้องรีบและแก้ไขละทิ้ง ตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้เป็นต้นไปไม่ให้ไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารณอย่างโน้นอย่างนี้ทำใจให้สะอาดทำกายให้สะอาดวาจาให้สะอาดได้แก่รักษาศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ด20ทำศีลรักษาศีลของตนให้บริสุทธ เอินใจของเราว่าตัดบ่วงห่วงอาลัยสิ่งใดเราตัดเราเลิกเราละเราปล่อยได้แล้วก็ไม่กลับเอามาคิดนึกอีกและกิเลสอันใดที่จะมาคล้องแวะมึนขึ้นมาทีหลังเราก็เพียรพยายามตัดละออกไปให้หมดสิ้นดูวันคืนที่พระพุทธเจ้าของเราภาวนาก่อนที่จะได้ตรัสสลู่นั่น พระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ควงไม่โพนั่งสมาธิแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตอติฐานลงไปในจิตใจการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะนั่งสมาธิจนให้ได้ตรัสเป็นพระพุทธิยาวขึ้นในโลกจะไม่ยอมลุกไปมาในที่ต่างๆ แม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไข้ร่างกายสังขารนี่จะเหือดแห้งไปหรือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามมันจะตายก็ยอมตายพระองค์ไม่ท้อถอยเนี่คือว่าใจของพระพุทธเจ้านั้นมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มั่นคงที่สุดส่วนอุบายภาวนาของพระองค์ก็แบบง่ายๆ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 ลมเข้ายาวออกยาวท่านก็รู้เข้าสั้นออกสั้นท่านก็รู้ยอมลมหยาบท่านก็รู้ลมอย่างกลางท่านก็รู้ลมละเอียดท่านก็รู้ท่านเอาอนาปาลมหายใจนี่หลยมัดจิตมัดใจของท่านจนอยู่ในที่อันเดียวนามพระไทยใจพระพุทธเจ้าก็สงบหลงับ มั่นเป็นสมาธิภาว น, นาไม่ไหวหวั่นท่านพึงด้วยเหตุการณ์ใดๆจนจิตใจอันนี้หนักแน่นมั่นคงเหมือนพื้นปัสุธาหน้าแผ่นดินไม่ไห ว, วั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆในคืนวันนั้นเองเป็นวันเดือนหกเพลนพระพุทธเจ้าของเราก็ตรัส กิเลสได้หมดตัดกิเลสความโกรธได้เด็ดขาดตัดกิเลสความโลภความอยากได้ในใจได้เด็ดขาดตัดกิเลสความหลงในใจได้เด็ดขาดละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปพร่อมทางวาสนาอาจินพระองค์ไม่มีความท้อถอย มีแต่ความหมันขยันขันแข็งสามารถอาจหาภายในจิตจิตใจของพระองค์ก็พ้นจากโลกพ้นจากลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลไม่หลงไหลในคนในสัตว์ในวัตถุธาตุทั้งหลายไม่หลงไหลในเทวดาอินกรมยมยักษ์เป็นจิตใจอันรู้แจ้งแทงตลอดเพราะว่าพระพุทธเจ้าจิตใจของท่าน เป็นจิตใจอันโลกวิทูลูแจงโลูลแจงโลกูล้ก แ, จกกแจงธรรมลูหมดทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ในโลกมนุษย์เทวโลกพมทโลกนี้พระองค์รู้แจงจนถึงเมืองนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นจากชาติชรลาปยาติมลณนะ เชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นเป็นผู้มีสติเป็นมหาสติเป็นผู้มีสมาธิเป็นมหาสมาธิเป็นผู้มีปัญญาเป็นมหาปัญญาเป็นผู้มียานเป็นมหายานละกิเลสราคะโทสะโมหะในนาพระทัยใจพระพุทธเจ้าของเหล่าให้หมด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 กิเลสอันใดที่พระองค์แต่ก่อนยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้มาเวลานั้นพระองค์เลิกได้ละได้ให้ชื่อว่าตัดเด็ดขาดตัดเด็ดขาดตัดจนมันแตกมันตายไปเลยกิเลสความโกรธไม่ลุกขึ้นมาได้ฆากิเลสความโกรธให้ตายไปฆากิเลสความโลภลาคะตัณหาให้ตายด้านไปหมด ไม่มีรูปเสียงปิ่นดโพอธพะคนสัตว์วัตถุธาตุใดๆที่จะมายั่วยุให้จิตใจของพระองค์กลับกรอบเหมือนแต่ก่อนเลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านฆ่ากิเลสละกิเลสเหล่านี้หมดสิ้นด้วยปัญญาญาณเราทุกคนที่ได้ฟังธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็ยาพากันนิ่งนอนใจ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 เป็นจิตเลื่อนเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไม่มีทางจะรู้ได้เข้าใจพระพุทธองค์ท่านจึงทำจิตให้สงบทำมันนิ่งแนวเป็นดวงเดียวแม้จะไม่ได้คิดไม่ได้นึกอะไรจิตใจที่สงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวนั้นมันก็มีความสุขมีความสบายพอตัวอยู่แล้วยิงภาวนาไปปฏิบัติไป แก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับพุทธสาวกในขั้งพุทธกาลท่านก็ทำใจให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานเห็นแจ้งในจิตใจของท่านที่เราได้ยินได้ฟังว่าเป็นพระสวสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตากินาจก นั่นคือว่าท่านภาวนานะท่านไม่ปล่อยปละละเลยท่านตั้งจิตตั้งใจจริงจิเจตใจของท่านเลื่อมใสศรัทธามีศรัทธาแก่กล้าสามารถในหัวใจไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในจิตใจประการใดอันความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเกิดขึ้นในร่างกายสังขารท่านก็ไม่มายึดมาถือ ท่านละได้ปล่อยได้วางได้พระสาวกเจ้าทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดละกิเลสความโกรธได้สาวกทั้งหลายท่างก็เอามาปฏิบัติภาวนาเลิกได้ละได้ตามพระพุทธเจ้าจริงๆกิเลสโลภกิเลสโมหะอวิชชาตัณหา กิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดมากน้อยประการได้พระสาวกเจ้าทั้งหลายในขั้งพุทธการท่านก็เอามาเลิกมาละปลดปล่อยออกไปได้หมดสิน้นไม่ได้หมายว่าเป็นพระภิกษุสา ม, มนเณรอย่างพวกเรานี่อย่างเดียวแม่คารวาดญาตโยมอุบาสกอุบาสิกา อุบาสกก็หมายถึงโยมผู้ชายอุบาสิกาก็หมายถึงโยมผู้หญิงทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชนักบ้านทุกคนทุกดวงใจท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาจริงๆคารวะญาติโ ย, ยมก็ได้สาเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาเป็นได้ถึงพระอารหันตากีนาศก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 นั่นและพุทธสาวกในท่านพุทธการท่านทำจริงปฏิบัติจริงเอาจริงๆด้วยเมื่อท่านทำจริงปฏิบัติจริงความรู้ยิ่งเห็นจริงก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในจิตใ จ, จของท่านเราผู้เป็นสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมภิกษุสงฆ์สามนเณรก็อย่าได้มีความท้อท้ออย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้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 เพราะว่าศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมคำสั่งสอนเป็นนนยานิกะระรมนำออกจากโลกนำออกจากกิเลสผู้ใดปฏิบัติภาวนาไม่ทอแท้อ่อนแอในดวงใจตอนแรกๆจะไม่รู้ไม่เข้าใจก็ตามถ้าทาไปปฏิบัติไป เจตใจอันนั้นมันก็เกิดความรู้เข้าใจปฏิบัติเป็นไปได้เพราะว่าคนเราทุกทุกคนนั้นใจมันเป็นใหญ่เป็นประถานสำเร็จแล้วได้ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจของตนนี่แหละถ้าใจจตใจดวงนี้เอาได้หมดไม่มีอะไรที่ว่าทำไม่ได้ ละกิเลสไม่ได้เมื่อจิต ด, ดวงนี้ตั้งจิตตั้งใจเพื่อละจริงๆแลมันละได้ทางนั้นความกรดจะมีมากน้อยเท่าไรพุทธสาวกท่านละได้เราทั้งตั้งใจเลิกละมันก็ละได้กิเลสมากน้อยเท่าไรท่านเลิกได้ละได้ด้วยการปฏิบัติบูบชาภาวนาไม่มีความทอท้ อ, อย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 ตาเห็นโลกจิตดวงนี้เป็นผู้เห็นดีใจก็จิตดวงนี้หลงไปเสียใจก็จิตดวงนี้หลงไปเสียงผ่านเข้ามาทางโสตทางหูก็จิตดวงเก่านี่แหละลิ่นรถโพธพภะธรรมมาลมก็จิตดวงเก่าเป็นผู้หลงเมื่อจิตใจดวงนี้เป็นผู้หลงผู้เมาไม่เข้าเลือกเราก็มาแก้ไขภาวนาทําใจให้สงบตั้งมั่น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 จ ere, ero, ero, pim, ere, f f day, pim, ิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอยู่ก็อยาได้วันไหวสันสะเทือนลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสจิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอยู่ก็อยาได้วันไหวสันสะเทือนลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสจงเพียรพยายามยกจิตใจของเราให้สูงขึ้น ไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสลาคตันหามาแวะมาเกี่ยวเกาะกังวลอยู่ในใจกิเลสโทสะไม่ให้มันมาโกรธมาแค้นมาอิจฉาพยาบาทอยู่ในตัวในใจเพียรพยายามอยู่ในใจกรงนี้ให้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิยาบทเมื่อจิตใจของแต่และบุคคลมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติ ไม่เอาอารมณ์โลกมาไว้ในใจเอาอารมณ์ธรรมะละกิเลสความโกรธในใจของตัวเองให้หมดสิน้นไม่ว่าอารมณ์ร้ายดีอะไรบังเกิดมีขึ้นถ้ามันยังมีความโกรธความไม่พอใจอยู่ในใจนั่นก็ให้รีบลบขึ้นภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธในใจให้หมด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 มันเอากิเลสเป็นใหญ่เป็นโตโมโหโทโสไม่ยอมเลิกละเนเคือว่ามันเขารบกิเลสกาดว่ากราบไหว้กิเลสบูชากิเลสกิเลสมันก็ได้ใจใหญ่มันพามาเกิดแล้วมันก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แกทุกๆคนไม่แต่เรื่องเดือดร้อนเนื้อเลื่อนร้อนใจทางนั้นเพราะว่ากิเลสมันเป็นเหตุอันสำคัญ โยในใจของคนเราจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนากำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งในหลัก อ, อนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของคนของสัตว์ของวัตถุธาุทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไป โดแต่ตัวเราคนเราที่เกิดมาเกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละมันก็จะเริญไว้ใหญ่โตขึ้นไปโดยลาดับลาดับเพราะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อมันหมดขีดแห่งความจเจริญทีนี้มันก็เข้าถึงความเสื่อม ความเสื่อมไปความชินไปความหมดไปของรูปนามกายใจของทุกทุกคนแสดงความแก่ความชราออกมามีตาดีก็ได้ตปตาก็เสียดูอะไรไม่ได้มีหูดีฟังอะไรได้เมื่อแก่ชราฟังอะไรไม่ชัดมีปากมีเขี้ยวมีฟันฟันก็หลุดออกไป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 ตามกิเลสลาคะจะมาตายอยู่ในโลกไม่จบไม่สิน้นถ้าเรายังหลงกับกิเลสโทสะก็จะมาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิน้นกิเลสโมหะเป็นของละเอียดผู้ใดยังมาลุ่มหลงโมหะอยู่ในใจนั้นนั่นก็จะมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ไม่มีที่จบที่สิน้น จีแลตันหามานะทิฐิอันมีอยู่ในใจของมนุษย์ปุตุชนคนเหล่านี้เราทุกคนจะต้องทำความเพียรเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อสลัดออกไม่ให้มันมาติดข้องพัวพันในกายในวาจาคือคำพูดในใจคือความคิดไม่เอามาคิดให้มันหลงต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้น ทำความดีทำความผียเพื่อละกิเลสในหัวใจของตนให้ได้ตั้งใจให้ได้สงบใจให้อยู่เอาใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจนมองเห็นชัดแจ้งในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่ว่านอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่ในตัวนี้ออกไปมากน้อยเท่าไหร่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้น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 ก็ให้เราทุกดวงใจนั้นแหละกําหนดจดจํานําไปประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนตายว่าจาจิตจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจกลงไหนก็รวมกําลังตั้งมัน่นลงไปในจิตใจดวงนี้กลางวันก็ภาวนาได้กลางคืนก็ภาวนาได้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 ท่านก็เล่งภาวนาในจิตในใจไลก่กิเลสความโกรธออกจา ก, ก จ, จิตใจไลก่กิเลสความโลภตัณหาออกจากใจไลก่กิเลสอวิชชาตัณหาในจิตใจให้หมดสิน้นเจตใจของท่านก็สว่างแจ้งแทงตลอดในธรรม เจิตใจของท่านก็ไม่ท้อแท้ออนแอรประการใดเรียก ว, ว่าภาวนาทํำความเพียรละกิเลสจนกิเลสในใจของท่านไม่มีไม่มีความโกรธอยู่ในใจไม่มีความโลภความอยากได้อยู่ในใจไม่มีความหลงกายหลงจิตหลงลูกหลงหนาไม่หลงไปโยกับสิ่งใดๆทั้งหมด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 เพราะว่าจิตใจคนเหล่านั้นขึ้นอยู่กับการภาวนาเมื่อตั้งจิตเจตนาภาวนาให้มั่นคงหนักแน่ในธรรมะปฏิบัติแล้วไม่ว่าอยู่ในเพศใดวัยใดสาวกในขั้งพุทธาลท่านไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้บวชอย่างเดียวจึงละกิเลสความโกรธโลบหลงได้ไม่ใช่อย่างนั้น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 จงพยายามทำใจดวงนี้ให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศจากมนทินโทษเรียกว่าใจภาว น, นาใจทำความเพียรใจละกิเลสความโกรธไม่ให้มีความโลภไม่ให้มีในใจความหลงไม่ให้มีในดวงจิตดวงใจ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 แต่ว่าเมื่อไม่ปฏิบัติไม่ตั้งใจประกอบกบรรทเจตใจมันก็เฉย ช, ชาไม่ก้าหน้าไปได้เดี๋ยวนี่เวลานี้สังเกตเข้าไปว่าพุทโธใครเป็นผู้ได้ยินเจตใจนี่ไม่ใช่หรือเป็นผู้นึกว่าพุทโธธรมโมสังโฆใครเป็นคนนึกก็เจตใจนี่แหละเมื่อเจตใจมีอยู่ที่นี่เราจะไปหาที่ไหนเล่า ก็ตั้งใจรวมใจลงไปสงบตั้งมั่นไม่ให้ใจิตใจวันไหวสันสะเทือนลุ่มหลงไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสกิเลสความกรอดรวบหลงไม่ให้มาในใจทิ้งมันออกไปให้ไก่คว้างมันออกไปละมันออกไปจะเข้ามาใหม่ไม่เอาอีกรวมกำลังตั้งมัน่นลงไปในใจิตใจอย่างนี้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 ได้ทุกทุกคนเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาละเจริยาทาวาลีวาาปูราปาลิปูเลนติสะขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติ อิติตังปฏิตังตุมหังจิตมเมวัสมิตสตุสเทปูเรนตุสังกปาจันโทปนาลาโสยถธาณิชโชติระโสยะธาสพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัศตุมาเตภวัตวันตรายโยจุขิติคายุโกภะ อะพีวาธานาสีริสนิจังวุทธาปจจายินโนจตารูธรรมาวัันติอายุวันโอสุขังพลังอายุวัตตโกธนวัตตโกเิริวัตตโกยะสวัตตโกภลวัตตโกวันณวัตตโกสุขวัตตโกโหตุสปทา ทุกขโลขพยาเวลาโสกาสตุจุปัตตวาอนเนกาอันตรายาปิวินัสตุจเติสสาสยาสิทธิธนังลาพังโสติภะกยังสุขังฝลังสิริอายุจวันโลจาโพคังวุธีจะยัสวาสตวัตสะจาอายุจะาชีวาิทธิภวันตุเต ภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพปเทวตาสภุทธาหนุภาเวนะสทาโสถีพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพปเทวตาสภัทมานุภาเวนะสทาโสธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพปเทวตาสภัสังคารนุภาเวนะ สัทสุธีภาวันตุเตการ น, นั่งสมาธิภาวนา <c oughs> พระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ล้มไม่พอเรียก ว, ว่านั่งแทนบัณลังปัณฑ์ลังเกบัณลัง บรรลังก็คือขัดสมาธิเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิ เ, เสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านก็ตั้งสัจจกอธิษฐานใจลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาช่างนี้จะไม่ลบไปมาในที่ใด ถ้าไม่ได้ปรัดสโลก็ยอมตายในทีน่นี้แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหรือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเพื่อพรา อ, องค์ไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆน่าลื่อขัดสมาธิขัดบันลังตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหว เราทุกคนทุกโลกทุกนาำก็ให้ตั้งใจเหมือนพระองค์นั่งใต่ลมไม่โพแม้ว่าจะมีความเย็นความหนาวเป็นธรรมดาของธาตุโลกในโลกมนุษย์ก็มีเป็นธรรมดาอย่างนี้เวลาร้อน ก็เรียกวันรอมเวลาหนาวก่อนหนาวเวลาฝนก่อฝนตกลงมาเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ไม่ว่าใครจะเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องกระทบกระเทือนสิ่งเหล่านี้ <c oughs> แต่ว่าจิตใจของผู้ภาวนานะต้องตั้งมันอย่าได้วันไหว โดปราพุทธเถี่ยวพระองค์ท่านไม่หวั่นไหวท่านว่ามันไม่เลยตายไปได้ทุกท้งหลายนั้นมันยังไม่ถึงความตายเมื่อมาถึงความตายความตายมาถึงเก้าอะไรอะไรก็อยู่ไม่ได้ยาเป็นต้องแตกดับทำลายเป็นธรรมดา คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันมาประชมกันเข้าเป็นตัวตนคนเราแล้วหมดเหตหมดปัจจัยเมื่อใดเวลาใดก็แตกดับเปอยเน่าคุกเข่าทับถมแผ่นดินไม่มีอะไรที่จะหนีแผ่นดินไปให้พ้นไม่ได้จะตายในน้ำก็ต้องไปกองอยู่ในดิน ตายบนบกก็กองอยู่ในบนบกบนดินจะมีคนอื่นเผาผีกี่กระดูกก็ตามไม่มีก็ตามหมดลมหายใจก็กองอยู่บนแผ่นดินฉะนั้นความหนาวความร้อนเมื่อมากระทบจิตใจของผู้ภาวนานะก็ต้องให้รู้เท่าทันรู้จะปล่อยวางเลิกละ อย่ามาเยอดว่าหนาวเป็นของเราเราเป็นหนาวเราเป็นผู้หนาวธาตุดินมันหนาวช่างมันเถิดธาตุน้ำมันหนาวช่างมันเถิดธาตุไฟมันร้อนมันหนาวช่างมันเถิดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติภาวนาก็ตั้งใจบริกรรมในมิตรกำหนดบริกรรม พุทโธก็เอาให้มันแน่วแน่อยู่ในองค์ุทโธไม่ท้อแท้อ่อนแอกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายกลัวมันพ้นไปได้ไหมโดความตายของสัตว์ทั้งหลายตัวเราหมายถึงขาสองแขนสองศี่ะหนึ่งยังไม่ลมหายใจเข้าออกอยู่ยังพูดจาราใส ย, ยืนเดินนั่งนอนไปได้โย อันนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องกำหนดภาวนาตั้งจิตตั้งใจรวมจิตรวมใจให้สงบระงับไม่ให้ฟุ้งซ่านรั่วไหลไปอยู่ใต้อนนานาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงเพียรพยายามทําใจดวงเดียวให้ผ่องใสสะอาดเรื่มใสศรัทธาในคณประพุทธเจ้า เลื่อมใสศรัท ธ, ธาในคุณพระธรมมรมเจ้าเลื่อมใสศรัท ธ, ธาในคุณพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลทั้งมนุษย์และเทวดายินพรมท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนายนถึงขั้นละกีเลได้เป็นสัตว์สัว์ส่วน คือความตั้งใจมั่นของท่านนั่นเองเราผู้มาสุดท้ายท้ายหลังยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็ต้องตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาทําความภาเคียนพยายามเอาจิตเอาใจของเราให้มีความตั้งมั่นอย่าได้วันไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆทั้งหมด เพราะว่าอะไรอะไรก็ตามที่มันกระทบก็เกื่อนขึ้นมามันยังไม่ถึงความตายอย่าไปกลัวความตายมันยังขวางหน้าอยู่ความตายนั่นแหละเป็น บ, บทสุดท้ายเระพูดเถิดเจ้าแต่ว่าความตายเป็นทุกข์ไม่ใช่ตายแล้วเป็นทุกข์เวลาก่อนจะตายความเจ็บปวดทุกขเวทนา จนเหลือรูปร่างกายมันจะทับฐานได้ไม่มีอะไรที่จะทรงอยู่ได้เกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีความแตกความตายอย่างนั้นเองจิตพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนหนาวมาร้อนมาปรากฏการท่านก็ภาวนาเปลียนเพ่งดูจนรู้แจ้งด้วยปัญญาณชัชอบ ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีคาดับไปเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองจิตเราอย่าได้วันไหวเมื่อจิตเราไม่วันไหวสิ่งทลางหลายมันก็หมดกําลังมันก็ดับไปเปลี่ยนไ ป, ปนแปลงไปถ้าคนไม่รู้เท่าทันก็เข้าใจว่าเมื่อมันหนาวมันก็คงหนาวอย่างนี้ตลอดไป อนไม่มีวันหยุดอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาอย่างนี้แหละเหมือนกับอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ของคนเราแต่ระบุคนโยในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เวลานี้เราเดอเรานั่งวันนั่งหรือวันนั่งภาวนามันก็นั่งได้ชั่วระยะหนึ่ง เมื่อเลิกจากนั่งนี่ก็จะต้องเคลื่อนไหวไปมายืนบัาเดินไปมาบัานั่งลงอีกบัานอนบักมันก็เปลี่ยนอยู่อย่างนี้แสดงว่าความไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บไข้ผลที่สุดก็ตายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอน แม่ดวงอาทิตย์ดวงพระจันทร์มาสองโลกดวงดาวทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเหมือนกันดูเวลาพระอาทิตย์ตอนเช้าก็โผล่ขึ้นมาทางทิศ ต, ตะวันตก อ, อีกไม่นานก็เลื่อนขึ้นมาดวงพระอาทิตย์นั้นมาอยู่บนทิศตะเรียกว่าเที่ยงวัน เมื่อเที่ยงวันล้วกับปัญหนจะเลื่อนไปทางทิศตะวันตกเรียกว่าตกดินไปหรือว่าโลกหมุนก็ว่ามันก็อันเดียวและมันก็หมุนอยู่ตามหน้าที่ของแต่และส่วนก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงมันไม่คงที่ไม่เป็นอยู่ดังคนเรา้าดหมายเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอันตาอยู่อย่างนี้แหละ เจตภาวนาญาได้มีความท่อแทอ่อนแอในหัวใจหนาวมาข้าก็ภาวนาร้อนมาข้าก็ภาวนาฝนตกมาข้าก็ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ต้องไปวันไหวกับเหตุการณ์เหล่านี้เพราะสิงเหล่านี้มันไม่เทีย่ยงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันไม่เทียง คือมันต้องเป็นไปตามกฎของโลกของกรรมเราจะมาคิดว่ามันพ้นเวลาหนาวแล้วเราก็คิดเอาเพราะความไม่เที่ยงมันก็ยังกลับมาหนาวอีกแต่หนาวนั่นเขาไม่ได้ว่าเขาหนาวมันเป็นเพียงอากาศมันเย็นเย็นมันก็ไม่ได้ว่ามนุษย์คนเราไปสมมุติออก เมื่อจิตมันติกสมมติโลกเขาสมมติว่าหนาวเราก็เข้าใจว่าหนาวความจริงแล้วหนาวร้อนมันเป็นของมีอยู่ในโลกอันนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้แหละเวลาหนาวก็หนาวมดหนาวมันไปไหนมันก็ไปร้อนนี่แหละคือว่าเดือนเดือนเมษายัางฝางหน้าอยู่ เ๋ยวเดียวเท่านั้นแหละเราก็จะเห็นว่าความร้อนเมื่อความร้อนเข้ามากับความหนาวมันอย่างเดียวคนละแบบหนาวต้องห่มผ้าถ้าว่าร้อนแล้วผ้าก็ไม่อยากห่มเอาผ้ามาใกล้ตัวก็ร้อนผ้าหนาๆอย่างเรานุ่งห่มในสมัยฤดูหนาวถ้าถึงฤดูร้อนมันมาใกล้ไม่ได้มันร้อนไปหมด โยธรรมดาก็เหงื่อไรคือมันเป็นเป็นเรื่องของความทุกข์เมื่อไม่รู้เท่าทานันจิตมันก็เป็นทุกข์คือเข้าใจว่าหนาวมันก็จะหนาวตลอดไปจนถึงวันตายมันไม่เป็นไปไม่ได้ถ้าร้อนมันก็จะร้อนถึงวันตายก็เป็นไปไม่ได้ เวลาฝนตกก็เข้าใจว่ามันจะตกไปจนถึงวันเราตายไม่ใช่มันไม่เพียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้แหละเมื่อสิ่งใดมันมาสัมผัสถูกต้องในเวลาปัจจุบันเจบใจมันก็ได้สัมผัสอยู่กับสิ่งนั้นถ้าไม่ภาวานาละกิเลสไม่ดับสมมุติในจิตนั้น สมมติว่าร้อนสมมติว่าหนาวสมมติอะไรก็ตามมันมนุษย์สมมุติขึ้นมาถ้าไม่หลงสมมุติไม่ไปยึดสมมุตนะินั้นจิตมันก็วางเฉยภาวนาพุโทโธอยู่ภาวนามรณะนะกรรมฐานอยู่เมื่อจิตวางเฉยได้เมือ่อใดเวลาใดกายก็สงก วาจาก็สงบยตก็สงบมันวางเฉยคือสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป